ส่วนศีลที่บุคคลสมาทานตลอดชีวิตแล้วทำให้เป็นไปได้อย่างนั้นทีเดียวชื่อว่าอาปาณโกติกศีลก็บอกว่าศีลเอาชีวิตเป็นประมาณว่างั้นเถอะเอาชีวิตเป็นที่สุดนะศีล น, นี้สิ้นสุดที่ชีวิตว่างั้นสิ้นชีวิตเมื่อไหร่ก็เลิกรักษามเมื่อ น, นั้นแหละดีกาท่านอธิบายน่าสนใจว่าศีลที่บุคคลแม้ไม่ทาการกาหนดการสมท า, าน แล้วขาดเสียในระหว่างแม้ศีลที่บุคคลประพฤติแล้วตลอดชีวิตด้วยอำนาจสัมปัตตวิรัตไม่เป็นศีลมีอาปาณโกติกศีลเนี่ยนะก็ไม่เป็นเช่นว่าบางคนกับคนดีเลยนะทำอย่างนี้จนตายก็ไม่ได้ล่วงละเมิดแต่ก็ไม่ได้สมาทานถ้าไม่ได้สมท า, านเนี่ยนะก็ไม่ชื่ว่าอาปาณโกติกศีลต้องสมท า, านเห็นไหมบุคคลสมท า, านตลอดชีวิต แล้วก็ประพฤติปฏิบัติตามนั้นแหละแต่ถ้าสมาทานแล้วทําขาดๆเกินไม่ค่อยมีมั้งเนาะศินมีแต่ขาดนั่นแหละถ้าทําสมาทานแล้วก็ขาดเรื่อยอลักษณะนี้ก็ไม่ใช่ว่าอาปาณโกติกาสินะก็โอ้ยเหมือนกับพระว่าโอ้ยฉันจะตั้งใจบวชตลอดชีวิตนี่แหละแต่ว่าโอ้ยกะพ่องกะแพ่งเปทีถ้าอย่างนี้ก็ไม่เรียกว่าอาปาณโกติกศีินเหมือนกันหรือว่าบางคนเออฉันจะสมาทานอุโบสถตลอดชีวิตนี่แหละ แต่ก็แม้เพล๋อๆไปก็อ้าวงานเลี้ยงเอาซะหน่อยกลับมาสมาทานใหม่อย่างนี้ก็ไม่ชื่อว่าอาปาณกโกติกศซ น, นี่นะกาละปริยันตะเนี่ยนะก็คือสมาทานแบบมีการอาปาณโกติกะก็คือสมาทานตลอดชีวิตนี่ของเราเอาข้อไหนก็มีอาปาณะก็มี อาปาณสินหนะนาะอาปาณโกติกะเลย ข, ข้อหนสบายมากข้อหนึ่งสบายมากน ะ, 3, 4, 5, ะได้ห้าคอเลยนะอาปาณโกติกะเออต้องสมาทานนะจึงจะเป็นไม่กินเหล้าหรือสบายมากถ้าถ้าสมาทานแล้วจึงเป็นนะถ้าไม่สมาทานไม่เป็นนะแค่เวน้นๆเฉยๆเนี่ยไม่เป็นเพราะบางคนนี่เกิดมาก็ไม่เคยกินเหล้าอยู่ล้วถ้าอย่างนี้ก็ถ้าไม่สมาทานขึ้นไม่เป็นแน่นอนก็ คำว่าสมาทานก็คือตั้งใจในี่แหละอาจารย์สมาทานอยู่แล้วเออผมไปกับลูกชายไปมาเลเซียเขาก็เลี้ยงอาหารตัวกินก็สั่งไก่แช่เล่ามาแม่หอมหวนชวนกินมากตักมาใส่ในจานแล้ว อ, อห้ามหรือเปล่านะเน้อเล่ามาปรุงนี่มาปรุงเป็นอาหารนี่น่าจะยกเว้นนะ เผือเหนียวอยากกินดีกว่าเผือเหนียวนะเอาเอาเกินไปก่อนดีกว่าก็เลยไม่กินมาก็ดีใจกระทั่งเดี๋ยวนี้เวณได้นะถ้ากินไปก็ทำให้รู้สึกมันอาจจะวิปติสารนิดหน่อยแม้แต่นิดหน่อยก็ไม่ค่อยดีจริงสุรานั้นถ้าเป็นทางพระวินัยผสมยาได้แต่มีเงื่อนไขว่าไม่มีสีไม่มีกลิ่นไม่มีสีของเหล้าอยู่เลยไม่มีกลิ่นของเหล้าอยู่เลย แล้วผสมยาได้เอาเท่านั้นแหละเขาว่าไจะปริมาณไม่ได้บอกว่ามากหรือน้อยแต่ต้องมีเงื่อนไขว่าไม่มีสีของเหล้าไม่มีกลิ่นของเหล้าจะเท่าไหร่เชียวน ะ, ะไม่รู้ยังมีสีมีกลิ่นหรือป่าไม่มีก็ไม่เป็นไรอาหารก็ลักษณะเดียวกันนะถ้าไม่มีสีไม่มีกลิ่นใช้ได้อหอมเหล้าหรือว่าหอมอต่อไปดิกว่านะ เดี๋ยวจะเป็นโคลปารกะอุโบสถอีกยุ่งเลยปรารักษามาตั้งนานแล้วอ่ะต่อไปนะทุกกะที่หกเลยทุกกะที่หกนะศีนจับว่ามีสองอย่างโดยเกี่ยวกับสัพปริยันตศีนและอภิปริยันตศีนอย่างนี้คือศีนมีทิฏฐิเป็นที่สุดเนี่ยนะทิฐิอันนี้เนี่ยของอมาก็ยังสงสัยอยู่เลยว่าเป็นสัพเพิ่มมาอย่างไร มีคมาําอธิบายอย่างไรมาอธิบายไม่ได้นะคือคือถ้าตามปฏิสัมพิธามมักจริงๆก็บอกว่าศีลมีที่สุดนะแต่คําว่าทิฐินี้ไม่รู้ว่ามาอย่างไรทุกคัมภีร์คนทั้งภาษาบาลีก็มีทิฐิปอนอยู่ด้วยเนี่ยนะแต่ถ้าของพามากก่าก็มีทิฏฐิทิฏฐะเป็นที่สุดนะมีอ่าทิฏฐิปริยันตังอ่าบางคัมภีร์ก็บอกว่าอย่างคัมภีร์นี้ก็บอกว่าทิฐิปริยันตังอีกฉบับหนึ่งก็ว่าทิฏฐิปริยันตัง เพราะฉะนั้นทิฏฐะหรือทิฐิอันนี้นี้ของธรรมาไม่ทราบว่ามีความหมายว่าอย่างไรถ้าผู้ใดมีความรู้พยัญชนะตรงนี้ก็กรุณาได้โปรดสงเคราะห์หน่อยนะเพราะฉะนั้นตรงไหนตรงนี้ไม่ไม่รู้เลยบอกตรงลงมาแต่ถ้าตามปฏิสัมพิทาก็บอกว่าศีลมีที่สุดกว่า ง, งั้นเถอะศีลมีที่สุดกับศีลที่ไม่มีที่สุดเห็นไนะ สัปริยันตศีนก็คือศีนที่มีที่สุดอัปริยันตศีนก็คือศีนที่ไม่มีที่สุดาถามว่าที่สุดของศีนเนี่ยคืออะไรก็คือด้วยอำนาจแห่งลาบยศญาตอวั ย, ยวะและชีวิตชื่อว่าสัพปริยันตศีล น, นะคือศีนที่รักษาแล้วก็ขาดด้วยอำนาจแห่งลาบยศญาตอวั ย, ย arb, impost, วะและชีวิต นนก็คือบางคนเนี่ยนะพอสมาทานศีลเสร็จใช่ไหมรักษาศีลเสร็จนี้ก็เพราะเห็นแก่ญาติหรือเพราะเห็นแก่ลาบใช่ไหมบางคนนี้ด้วยอํานาจของลาบและยศที่ยังไม่เกิดก็ถึงกับล่วงศีล น, นะถ้าผิดศีลอันนี้แล้วจะได้ลาบได้ยศบางอย่างขึ้นก็ยอมเหมือนกันเถื่ยอมเสียศีลอันนี้เขาเรียกว่าศีลมีลาบเป็นที่สุดบางคนก็อยากเพิ่มยศเพิ่มตําแหน่งขึ้นยอมเสียศีลของตัวเองเพื่อที่จะเพิ่มเพิ่มยศเพิ่มตําแหน่งอันนี้ หรือว่าบางคนนี่ก็ยอมเสียศีลเพราะรักษาอำนาจหรือว่ารักษาลาบรักษายศเป็นต้นเนี่ยนะถ้าถ้าเสียศีลลาบยศตำแหน่งพวกนั้นก็จะรักษาไว้ได้อำนาจอันนั้นก็จะคงอยู่ต่อไปนะแต่ถ้าหากว่ารักยังคืนรักษาศีลต่อไปเสียนะอันนี้แหละเขาเรียกว่าลาภะยะสะปริยันตังศีลมีลาบมียศเป็นที่สุด หรือว่าบางคนเนี่ยนะต้องการให้อำนาจเพิ่มขึ้นต้องการให้ลาบให้ยศเพิ่มขึ้นเนี่ยนะหามาเพิ่มก็เสียศีลเลยก็มีเนี่ยนะยอมเสียศีลเพื่อทำบาปทำกรรมหรือว่าด้วยอำนาจญาติก็เหมือนกันหรือว่าอวัยวะหรือชีวิตก็ยอมให้ศีล น, นั้นพินาศไปนะเออจะยอมตายหรือจะเอาศีลเหมือนั้นเถอะคนก็บอกโอ้ตายดีเออเอาศีลดีกว่าบางคนก็ ถ้าหากว่าเรารอดตายก็สมาทานเอาใหม่ก็ได้ไม่เห็นจะยากอะไร น, นะค่าลักษณะนี้เขาเรียกว่าศีลมีที่สุดศีลจะรักษาได้ดีหรือไม่ก็อยู่ที่สัมมาทิฏฐิด้วยนะถ้าหากว่าสัมมาทิฏฐิไม่ดีไม่เพียงพอรักษาศีลยากคนที่จะมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องศีลรักษาศีลได้ดีคนนั้นจะต้องมีสัมมาทิฏฐิสูงมากมีความรู้เข้าใจเหตุผล ที่รักษาศีลเป็นอย่างดีเพราะว่าศีลเนี่ยนะคนที่จะรักษาศีลได้ดีจะต้องรู้อยู่แล้วใช่ไหมว่าถ้าผิดศีลแล้วมีโทษอย่างไรถ้ารักษาศีลแล้วอ่ะจะมีอ น, นิสงส์อย่างไรเพราะฉะนั้นสองอย่างนี้คือเป็นกิจของปัญญาปัญญาอันนี้จะต้องหนักแน่นเพียงพอจริงๆจึงจะสามารถรักษาศีลต่อไปได้เพราะว่าบางคนนี่เห็นลาบได้ยศญาติอย่างใดอย่างหนึ่งเนี่ยน ะ, ะก็ยอมเสียศีลเสียธรรมเลย ศีลที่ตรงกันข้ามเนี่ยนะก็คือไม่ยอมเสียศีลเพราะลาบยศญาติอวัยวะและชีวิตไม่ยอมเสียศีลเลยก็รักษาศีลต่อไปอย่างนี้เรียกว่าอปริยันตศีลแม้ท่านพระสารีบุตรเทระก็ได้กล่าวถึงศีล น, นี้ไว้ในคัมภีร์ปฏิสัมพิธามมักว่าถามว่าศีลมีที่สุดนั้นเป็นชะไหนอันนี้เป็นข้อความในปฏิสัมพิธามักนะตอบว่าศีลมีลาบเป็นที่สุดก็มีนะ ศีลมียศเป็นที่สุดก็มีศีลมีญาติเป็นที่สุดก็มีศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดก็มีศีลมีชีวิตเป็นที่สุดก็มีเห่นนะเห็นแต่ลาบยศอวัยวะชีวิตก็เลยเสียศีลเสียธรรมเลยถามว่าศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นฉไหนตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นการณการณะแปลว่าเหตุนะ เหตุการ์เช่นเหตุการ์เนี่ยเหตุก็เหตุกับการนี่อันเดียวกันนะการณะเนี่ยแปลว่าเหตุเหมือนกันเพร้นคําว่าเหตุคําว่าปัจจัยคําว่าการณะเป็นพยัญชนะหรือเป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันไม่ได้มีความหมายแต่เพื่อก็บอกว่าเป็นเววัจนะใครเข้าใจศัพท์ได้ศัพท์หนึ่งก็ใช้ได้เพราะฉะนั้นเพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นการณะย่อมก้าวล่วงสิกขาบทตามที่ตนสมทานไว้ ศีล น, นี้นั้นชื่อว่ามีลาบเป็นที่สุดดังนี้เป็นต้นเห็นนะก็พอได้ลาบก็เลยเสียหายเลยทีนี้รักษาศีลไม่ได้เลยหรือว่าศีลขาดเพราะลาบมันนะสมาทานแล้วเจอลาบก็ไปโอเสียหายาาลาบนี้คืออะไรไไเอาไม่ได้ฟรีแบบนั้นหมายความว่าถ้าหากว่าเสียศีลแล้วจะได้ลาบอันนี้ขึ้นนะอยอมเสีสยศีลนะอย่างเช่นอะ ยกตัวอย่างเนี่ยเขาเขาวางข้าวของบางอย่างลืมไว้อย่างเงี้ยนะซึ่งถ้าหากว่าเราเอาเนี่ยสามารถเอาได้โดยที่ไม่มีใครรู้เลยยกตัวอย่างนะเอแล้วเราอาทินนาทานก็มีองค์อย่ว่าของมีเจ้าของเราก็รู้ว่าของใครสองเจ้าของห่วงแหนก็รู้ะนะก็คือเขา้าเข้อ้ลักดีถ้าลักก็ไม่มีใครจับได้นะนไม่มีใครรู้ก็เลยหยิบช่วยเลย อันนี้แหละเรียกว่าเข้าองค์อาทินาธานละ <c oughs> ของตกเนี่ยนะเราก็ต้องเข้าเอาองค์มาจับหนึ่งของมีเจ้าของสองเรารู้ไหมว่าของมีเจ้าของสามมีจิตคิดจะลักแล้วก็หยิบเอาเคลื่อนจากฐานสินขัดสินตัวนี้เนี่ย น, นะครับะสัพปริยันตานี่ภาษาจิตเคลียาริม i ตต์ครับคือมีจำกัด ข้อจำกัดเพราะว่ากิเลสบางคนนั้นนี่นะฮะจะทนได้ต่ออ า, อารมณ์บางอย่างจํากัดอยู่ที่อารมณ์บางอย่างบางคนเพียงแค่สิบบาทก็ทุจริตได้บางคนก็ถึงร้อยบาทถึงจะทุจริตบางคนบอกว่าเออถ้าล้านหนึ่งนี่เห็นถ้าจะต้องยอมผิดศีล น, นะครับ ถ้าสิบล้านโกงอีเอ๊ะโกงแล้วมันคุม้มนี่นี่เป็นสับปะรียันต์มีขอบเขตลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมครับเจนพรลาบก็เหมือนกันยศก็เหมือนกันถ้ายศสูงจึงจะยอมอย่างเงี้ยก็ได้นะถ้าต้องระดับนั้นนะจึงจะยอมผิดศีลอันนี้ได้ลักษณะนั้นก็ได้หรือญาติก็เหมือนกันนี่ถ้าหากว่าไม่ใช่พ่อเรานะจะไม่ยอมเสียศีลอันนี้เด็ดขาดเลยนะ ไม่ใช่แม่เรานะเราจะไม่ยอมเสียศีลอันนี้เด็ดขาดเลยแต่เพราะเพื่อแม่เพื่อพี่เพื่อน้องเพื่ออะไรก็ยอมเสียศีลอันนี้อันนี้เรียกว่าศีลมีลาเป็นที่สุดใช่ไหมอย่างคนมามาให้เราทําทุจริตบางอย่างหรือว่าเขามีอยู่ว่าพ่อเนี่ยไม่สบายหรือแม่นี่ไม่สบายจะต้องใช้เนื้อกระต่ายเป็นตัวยาอ่ะมีแต่กระต่ายเป็นนแล้วหน้าที่ของเราเนี่ยถามว่าจะเอา แม่ไว้หรือจะเอากระต่ายไว้ถ้าเราฆ่ากระต่ายเราก็บาปใช่ไหมศีลก็ขาดจะเอาศีลหรือจะเอากระต่ายหรือว่าจะเอาแม่เนี่ยนะบางคนก็บอกเออแม่เราหนะ่านะนะก็เลยยอมฆ่ากระต่ายสักตัวหนึ่งเพื่อไปเป็นเข้าตัวยาเพื่อที่จะรักษามแม่บางคนบอกทำไม่ได้มีที่ไหนเอาศีลแลกชีวิตหมือนกัน บางคนก็ละยอมบา ง, งั้นเออแม่ตาให้ก็ตามอายุไขนั่นแหละแม้ยาอื่นๆในโลกก็เยอะแ ย, ยะมันจะไปหายด้วยแม้ต้องเอาไปฆ่าเอาชีวิตเข้ามาเป็นตัวยาอะไรหรือย่างนี้ก็ได้นะก็ความสามารถไม่เท่ากันนะคนเนี่ยบางคนนี้เกี่ยวกับเรื่องญาตินี่ยอมไม่ได้เด็ดขาดเลยนะกระตับแตกเลยนะ ถ, ถ้าบอกว่าถ้าด่าเราเนี่ยไม่เป็นไรทนได้เสมอแต่ถ้าด่าญาเราเมื่อไรเนี่ยโหไม่ได้เลยพุ่งขึ้นมา ท, ทันทีระเบิด แตกกระจายไม่รู้กี่สิบท่อนอย่างเงี้ยลักษณะนั้นนะบางคนเนี่ยพ่อญาติเลยนะเพราะว่าสีนเนี่ยไม่ใช่มือสายอย่างเดียวพุทธสวาจาก็ผิดสินนะนะเช่นพูดคำห ย, ยาบๆออกไปด่าเข้าไปอย่างเงี้ยอันนี้ก็ผิดสินละอย่างบางคนเนี่ยเห็นอย่างแมลงสักตัวหนึ่งนะเขากัดเรานะเราจะปัดออกแต่ถ้ามากัดลูกเราบี้เลย <c oughs> อย่างเงี้ยอันนี้เรียกว่ามีญาติเป็นที่สุด ถ้าศีลมีอวัยวะเป็นที่สุดก็ในยะเดียวกันเนี่ยนะยอมยอมถ้าหากว่าถ้าเราฆ่าสัตว์บางตัวที่กําลังจะกัดเราเป็นต้นเนี่ยนะถ้าหากว่าปล่อยให้กัดเราก็เสียอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งถ้าเราฆ่ามันซะมันก็ไม่กัดเราอย่างเงี้ยบางคนก็เห็นแก่อวัยวะก็ยอมเสียศีนเนี่ยนะเพื่อที่จะรักษาอวัยวะเอาไว้เราวควาจริงเราเรียนในห้องเรียนนี้เราคนนึกว่าแหมเราคงจะทําได้อะไรที่มัน มันมันสูงไว้ก่อนใช่ไหมฮะแต่จริงๆแล้วน่นะเมื่อเรารเผชิญกับเหตุการณ์จริงๆนี่แหละนี่แหละจึงจะพิสูจน์จึงจะแจงจริงหรือเปล่าจึงจริงรหรือเปล่ป า, <c oughs> ปานะครับ <c oughs> นะ <c oughs> แต่ว่าเมื่อสมาทานนะที่จะรักษาก็นับว่าดีละได้อุปนิสัยไว้แล้วละ่ะเนี่ยนะถึงว่าไปเจอเหตุการณ์อันนั้นทําไม่ได้ก็ปัจจัยมันมีอีกหลายตัวเนี่ยนะเพราะว่าปัจจัยแห่งศีลไม่ใช่แค่สมาทานอย่างเดียวใช่ไหม ว่าต้องไปดูว่าบริวารรอบๆข้างในเหตุการณ์นั้นๆเนี่ยมีอะไรบ้างแล้วก็อุปนิสัยที่สะสมก็ไม่ใช่อุปนิสัยอันนี้อันเดียวนะชีวิตของเราที่ที่สะสมอุปนิสัยไม่ใช่อุปนิสัยที่ศึกษาคําสอนมาอย่างเดียวอุปนิสัยด้านอื่นๆเข้ามาอีกตั้งมากมายนั้นได้เงื่อนไขอื่นๆก็อุปนิสัยที่วางไว้อันนี้อาจจะเล็กน้อยแต่ถ้าหากว่าบางคนเขามีศรัทธาก็สามารถวางอุปนิสัยที่ ที่เจริญกุศละธรรมเหล่านี้โดยเอาชีวิตเป็นเข้าแรกกันนะก็มีแต่ว่าคนแบบนั้นก็อย่าลืมว่ามีน้อยนัก น, นส่วนใหญ่ก็เห็นแก่อย่างใดอย่างหนึ่งก็เอ้ยอมแล้ละเช่นเห็นแก่อวัยวะเนี่ยโอ้าท่านนะถโยบพระพิสูจนเนี่ยจะง่ายมากถ้าเกี่ยวกับศีลบางอย่างเนี่ยนะเช่นโอ้ท่านเป็นโรคกระเพาะ อ, อย่างเงี้ยท่านต้องฉันข้าวเย็นนะจึงจะหายอย่างเงี้ย ยอมเลยรักษากระเพาะไว้กินข้าวดีกว่าไหมถ้าอย่างงี้ก็แย่ละอาพาธนี่ก็มียาอื่นๆ อ, อ, อีกเนี่ยนะเขามีน้ําต้มถั่วเขียวน้ําต้มถั่วน้ําต้มถั่วนะไม่ใช่ไม่ใช่ใชน้ําคั้นถั่วแต่ว่าเป็นน้ําต้มถั่วหรือว่าเป็นอพระมินยัยมีเงื่อนไขรักษาไว้เยอะแยะไปหมดอนะ แต่ทีนี้ว่ามันจะหาช่องอ่ะยังจำได้เลยโอ้สมัยเด็กๆ เ, เรานี่ตอนนั้นเน้นไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็โอ้ไม่ค่อยสบายโยมก็เอาม่ม า, มามาเราก็บอกไม่เป็นไรเน้นป่วยนี่เราเลยเต็มตัวเลยหหาช่องมานานแล้วอ่ะอผ่านลำคอไหมล่ะเขาบอกว่าเน้นที่ผ่านลำคอนะล่วงลำคอเนี่ยนะตั้งแต่เที่ยงวันไปแลว้ว อาท่านเน้นล่วงลำคอน่ะถึงว่ า, าวแต่นี่ของมาไม่รู้นะแต่ท่านบอกว่าให้ล่วงลำคอท่านว่างั้นแต่ว่าสายยางได้ไหมอาหารใสแคปซูลได้ไหม น, นี้ตอบไม่ได้อะพวกซิกแซกสมัยใหม่ๆนี่มาตอบไม่ค่อยได้หรอกน้ำเกลือไม่เป็นไรก็คือเศสั์อื่นๆเนี่ยนะเว้นเว้นอาหารแต่ก็มีนะ ตัวยาที่สําเร็จเป็นอาหารกิจซึ่งพระองค์ทรงอนุญาตไว้นะเป็นยาด้วยเป็นอาหารด้วยคือเนยใสเนยข้นน้ํามันน้ํำพึ่งน้ําอ้อยพระองค์ทรงอนุญาตไหมเนี่ยนะในบรรดานี้ก็ถ้าโรคกระเพาะกับเนยก็ช่วยได้เยอะแล้วเนี่ยนะเนยก็ได้เนยเนยใสเนยข้นก็ได้แล้เนยอย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้แล้วเนี่ยนะเนยกับน้ําตาลเจนทรนเนี่ยนะแต่ที่จริงถ้าถ้ามีใจจะรักษานีมีทางออกเสมอเนี่ยนะ ขอให้มีใจมีมีใจก็คือมีศรัทธาในกุศลธรรมนั้นนะคนเป็นโรคกระเพาะก็มีตัวยาอื่นอื่นอีกที่จะช่วยได้โดยที่ไม่ต้องไม่ต้องผิดศีลเนี่ยนะแม้ในการวิสัชนาอปริยันตศีลท่านก็กล่าวไว้ว่าถามว่าศีลไม่ใช่ศีลมีลาบเป็นที่สุดนั้นเป็นชนะไหน ตอบว่าบุคคลบางคนในโลกนี้เพราะลาบเป็นเหตุเพราะลาบเป็นปัจจัยเพราะลาบเป็นกราณะก็ไม่ทำแม้ความคิดเพื่ออันจะก้าวล่วงเสกขาบทตามที่ตนสมาทานให้เกิดขึ้นขนาดคิดที่จะก้าวล่วงยังไม่มีเลยเนี่ยนะเขาจะก้าวล่วงทางด้วยกายและวาจาได้อย่างไรศีล น, นี้นั้นชื่อว่าไม่ใช่ศีลมีลาบเป็นที่สุดดังนี้เป็นต้นอย่างอื่นก็เหมือนกันเนี่ยนะ เขาบอกว่าศีลเหล่านี้ที่สมท า, านไว้แล้วเนี่ยนะถึงจะลาบขนาดไหนก็ตามคิดจะก้าวล่วงยังไม่มีเลยคิดเป็นอื่นยังไม่มีเลยเนี่ยน ะ, ะเขาบอกว่าคนที่รักษาสภาพจิตได้ขนาดนี้แหละจึงจะเป็นอภริยันตศีลอย่างนั้นศีลไม่มีที่สุดเพราะลาบเพราะยศญาตอวัยวะและชีวิตเห็นไ เพา ะ, ะนั้นศีลอปริยามตศีลศีลไม่มีที่สุดเนี่ยนะศีลไม่ใช่ที่สุดเพราะลาบยศอวัยวะเป็นต้นก็ในยะเดียวกันเพราะฉะนั้นเอาแค่นี้ก็พ อ, อนะนะคือคำว่า ก, ก็พอนี่นะก็ในยะอื่นก็เหมือนกันนั่นแหละทีนี้มาขึ้นทุกกาที่เจ็ดเลยนะในทุกกาที่เจ็ดศีลจัดว่ามีสองอย่าง โดยเกี่ยวกับโลกิยะศีลและโลกุตระศีลศีลแบ่งออกเป็นสองนะโลกิยะศีลกับโลกุตระศีลอย่างเช่นตัวศีลที่เขียนขึ้นในกระดานนี่น ะ, ะถ้าอย่างนี้เนี่ยสามารถจัดเป็นสองระดับได้โลกุตระก็มีในนี้นะโลกิยะก็มีในนี้ยกตัวอย่างสัมมาวาจาสัมมากามันตะสัมมาอาชีวะระดับโลกิยะทั่วไปก็มีแมลงเม่าบินมาไม่เวน้นที่จะตบจะตีเป็นต้นนี่นะอันนี้ก็เป็นวีรตีนะ แต่ถ้าในขณะอริยมรรคเนี่ยนะโซดาปฏิมรรคโซดาปฏิผลเป็นต้นเนี่ยสัมมากรมมันตะอนนั้นก็เป็นศีลด้วยก็เกิดร่วมกับโลกุตระธรธรมเหล่านั้นท่านก็ยกตัวอย่างอย่างนี้คือศีนที่เป็นไปกับอาสวะแม้ทั้งหมดชื่อว่าโลกียศีลเอศีลที่เป็นไปกับอาสวะทั้งหมดเอางั้นเถอะจัดว่าเป็นโลกียศีล คำว่าศีลที่เป็นไปอาสวะนี่หมายคมว่าศีลใดหลังอาสวะมีกามาสวะเป็นต้นออกมาด้วยความเป็นอารมณ์เหมือนแผลหลังหนองออกมาเชนั้นเหตุนั้นศีนั้นชื่อว่าเป็นสาสวะศีลที่เป็นไปกับอาสวะนเนี่ยนะสาสวะคือศีลที่เป็นไปกับอาสวะเพราะอาจว่าเป็นไปกับด้วยสาอาสวะทั้งหลายแม้เมื่อมีและไม่มีความประกอบกัน คือหมายคำว่าศีลเหล่านั้นเนี่ยเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของอาสวะศีลที่เป็นอารมณ์ของกามสวะศีลที่เป็นอารมณ์ของทิฏฐสวะศีลที่เป็นอารมณ์ของอวิชชาสวะหรือว่าศีลที่เป็นอารมณ์ของภวาสวะเนี่ยนะศีลเหล่านี้เนี่ยเรียกว่าโลกิยศีลคือสามารถเป็นอารมณ์ของอาสวะได้เป็นปัจจัยแก่อาสวะได้เหนนเถอะ ศีนที่ไม่เป็นไปกับอาสวะชื่อว่าโลกุตระศีนโลกุตระศีลนั้นเอาศีลที่เกิดร่วมกับมัคจิตและผลจิตศีลที่ต่ํากว่านั้นลงมาเป็นโลกิยะศีลมันโลกิยะศีลเนี่ยนะก็ยังเป็นอารมณ์ของอาสวะได้ใช่ไหม ย, ยังเป็นอารมณ์ของอากามาสวะภวาสวะทิฐาสวะและอวิชสาสวะได้นนถ้าเป็นพวกเราเนี่ยเป็นศีลที่รักษาเป็นอะไรโลกิยะศีล บอกได้ไหมว่าศีลเหล่านี้ไม่เป็นอารมณ์ของกามาสะวะทิฏฐาสะวะพวาสะวะและอวิชชาสะวะเป็นอารมณ์ของโลภะได้ไหมถ้าเป็นอารมณ์ของโลภะได้นะอาสะวะอย่างอื่นไม่ต้องห่วงเพราะว่าอาสะวะอื่นๆก็ประกอบกับโลภะนั่นแหละ